มีใครอยากจะถามอะไรไหม αι? อยากจะฟังเรื่องอะไรนี่ถามได้การฟังเทศฟังธรรมหรือการสนทนาธรรมถามถามตอบปัญหาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่ง เป็นเหตุที่จะนำมาสู่ความสุขความเจริญต่อไปทรมะเป็นวิชาความรู้ที่จะเปิดทางให้กับจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ตอนนี้เป็นผู้เดินทางที่ไม่เห็นทาง ไม่เห็นทางสู่การดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหมือนคนตาบอดที่เดินไปชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้เพราะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคนตาดีเดินไปไหนมาไหน มักจะไม่ชนกับสิ่งต่างๆเพอเห็นสิ่งต่างๆใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี่เป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ว่าเป็นความสุข แทนที่จะเดินหลบกลับไปเดินชนสิ่งต่างๆพอคิดว่าได้สิ่งต่างๆมาแล้วจะมีความสุขแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปหรือเปลี่ยนไป พอเปลี่ยนไปหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือคุณลักษณะของคนตาบอดเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะเห็นสิ่งในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของตนว่าเป็นของตน พอไปเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงพอมันไม่เที่ยงก็ทำให้เราทุกข์ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไปเห็นสิ่งที่เป็นของเราพอมันไม่ได้เป็นของเราเราก็ทุกข์กัน มีข้าวของเงินทองเราก็คิดว่าเป็นของเราพอมันหายไปพอมันถูกขโมยไปหรือพอมันหมดไปก็ทำให้เราทุกข์กันอ่นนี่คือความสุขต่างๆที่เราเข้าหากันแสวงหากันได้มากัน ได้มาแล้วก็ทำให้เราทุกข์กันเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขที่ไม่มีความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นต้องให้มีคนตาดีมาบอกถึงจะ เห็นได้หรือถึงจะเข้าถึงได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์เราไม่รู้กันว่าอยู่ที่ไหนจะได้มาอย่างไรรู้แต่ความสุขที่เป็นความทุกข์ได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาถ้าสิ่งที่ได้มาหายไปก็ทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะหายไปเราคิดว่าเราได้อะไรมาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดแต่พอมันไม่อยู่กับเราความสุขที่ได้จากมันก็หายไป ความทุกข์เข้ามาแทนที่สิ่งต่างๆที่เราหากันอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขปลอมทั้งนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปหรือเปลี่ยนไปจึงเป็นความทุกข์ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับเก็บไว้ให้เป็นของเราไปได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เรามองไม่เห็นกันมอง มองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆมองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสิ่งต่างๆมองไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เป็นของเราไม่สามารถเป็นของเราได้ไปตลอดพวกเราจึงต้องมาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ทุกข์กับสิ่งที่เรามี มีร่างกายเราก็ต้องทุกขกับร่างกายเพราะร่างกายเราก็อยากจะให้มันอยู่ไป็นนานๆแต่เราก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนมันจะนานหรือไม่นานแต่นานก็นานแบบมีวันสิ้นสุดคือไม่เกินร้อยปีร่างกายนี้ก็ต้อง ดับไปตายไปแต่ใจของเราก็อยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆใจของเราไม่อยากให้ร่างกายตายความอยากของใจเรานี่แหละที่ทำให้ใจเราทุกข์กันถ้าไม่มีความอยาก ใจจะไม่ทุกเนี่ยถ้าไม่อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆเวลาร่างกายตายเราก็จะไม่ทุกขนี่นี่คือความจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ที่เรามองไม่เห็นกันมองไม่เป็นกัน มองเห็นอะไรก็มักจะคิดว่าจะให้ความสุขกับเราอย่างเดียวจะอยู่ไปนานๆจะเป็นของเราไปนานๆแต่พอมันไม่เป็นมันก็ทําให้เราทุกข์กันทุกข์เพราะเราอยากให้มันอยู่ไปนานๆทุกข์เพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นของเราไปนานๆา ถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเอเราจะไม่ได้ยินไม่ได้รู้เรื่องว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเออนิจจังก็คือไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเอ มันจะทําให้เราทุกเวลามันมันหายไปมันจากรบไปเพราะมันไม่ถาวรมันทําให้เราทุกที่ทุกก็เพราะว่าเราอยากให้มันถ้าวรอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปนานๆอยากจะให้มันไม่เปลี่ยนแปลง ของต่างๆที่เราได้มาเวลาได้มาใหม่ๆมันดีหมดนะเครื่องใช้ไม่สอยที่เขาผลิตออกมาขายเวลาเราซื้อมาใหม่ๆมันดีหมดใช้ได้ดีแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มเสียเริ่มชำรุดนะพอมันเสียมันชำรุดมันก็ทำให้เราไม่สบายใจนะ พอเราไม่สามารถใช้มันให้ให้ความสุขกับเราได้มันกลับกลายเป็นตัวปัญหาขึ้นมากลับกลายเป็นตัวที่เราจะต้องมาแก้ไขมาซ่อมแซมอ่า น, นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตาม หรือร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นเหมือนสินค้าอย่างหนึ่งเวลาเกิดใหม่ๆนี้มันจะไม่ค่อยอไม่ค่อยมีปัญหาร่างกายของคนเด็กของคนหนุ่มคนสาวนี่มันจะมีแต่เจรินเติบโ ต, ตมีความแข็งแรงกำลังวังชาดีไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย เหมือนกับคนแก่คนเฒ่าแต่มันก็จะต้องแก่มันก็จะต้องเจ็บต่อไปเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นความทุกข์และทรงเห็นว่า ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ควรที่จะไปเอามาเป็นสมบัติควรที่จะอยู่แยกกันอยู่ให้อยู่แบบไม่มีอะไรจะดีกว่าเพราะถ้ามีอะไรก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่มี การที่จะอยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ต้องมีความสุขภายในใจก่อนถ้าใจมีความสุขภายในใจใจก็ไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอกตอนนี้ใจของโวกเราไม่มีความสุขภายในใจัน เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกการจะได้ความสุขภายนอกก็ต้องมีร่างกายร่างกายก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นพอเราต้อง ออกมาหาความสุขจากภายนอกใจเราก็ต้องมีร่างกายร่างกายก็เป็นตัวปัญหาแล้วเพราะร่างกายมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็มาหาความสุขผ่านทางร่างกายความสุขต่างๆที่เราได้ผ่านทางร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน เช่นความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เลยต้องมาทุกกับสิ่งเหล่านี้กันทุกกับร่างกายทุกกับราบยศสรรเสริญทุกกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ทุกตอนไหนตอนที่มันเสื่อมตอนที่มันจเจริญนิสุขเวลาเราจเจริญในลาบยศรรสรรเสริญเจริญด้วยรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐาพะเราจะมีความสุขกันเวลาเราจเจริญด้วยร่างกายเวลาร่างกายจเจริญเราก็มีความสุขกันแต่พอเวลาที่ลาบยศรสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่นรกมันเสื่อมร่างกายมันเสื่อมตาหูจมูกลิ้นกายมันเสื่อมเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์กันนี่คือปัญหาของใจของพวกเราคือไม่สามารถหาความสุขภายในใจได้ไม่รู้ว่า มีความสุขภายในใจที่ดีกว่าความสุขภายนอกใจจะมารู้ได้ก็ต่อเมื่อมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะบอกเราว่าพวกเราไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ไม่ต้องมีลามยศสรรเสริญ ไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้ขอให้เรามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นขอให้เรามาสร้างความสุขภายในใจจะดีกว่าเพราะว่าความสุขภายในใจนี้มันจีรังทาวอนมันเป็นนิจังสุขขังอัตตา มันนิจจังก็คือถาวรสุขขังมันเป็นสุขแท้ไม่มีทุกข์อัตตามันเป็นของเรามันจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะเราคือใจนี้ก็ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายความสุขที่ใจสร้างขึ้นมา ก็ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายถ้าใจรู้จักสร้างรู้จักรักษามันก็จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดอนันตการออนี่แหละคือสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายแสวงหากันคือความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด เหมือนกับภา พ, พยนตร์เวลาภาพยนตร์จบนี่ยเขามักจ ะ, ะจบแบบแบบแบบสุขกันคือพระเอกได้พบนางเอกอได้นางเอกได้อยู่กับนางเอกไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแต่นั่นเป็นเพียงภา พ, พยนตร์แต่ความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้เป็นเหมือนกับภา พ, พยนตร์ พอพระเอกได้เจอนังเอกแล้วเดี๋ยวพระเอกกับนังเอกก็ต้องมาทะเลาะกันหรือไม่ฉะนั้นถ้าไม่ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีเหตุทําให้พระเอกกับนังเอกต้องแยกกันต้องจากกันเพราะว่าร่างกายของพระเอกร่างกายของนังเอกก็ไม่เที่ยงนั่นเองเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องเจ็บเดี๋ยวก็ต้องตาย อยู่กันไปสองตายาย เ, ออเดี๋ยววันดีคืนดีไม่ว่าไม่ไม่ตายก็ยายก็ต้องจากกันไปออแล้วเดี๋ยวตาก็ต้องตามไปพอยายไปเดี๋ยวตาอยู่คนเดียวเหงาทุกข์อยู่ไม่ได้ก็ไม่มีจิตใจที่อยากจะอยู่ต่อไปก็ตายตามกันไปคออวามสุข ของตากองยายก็หมดไปใจที่เป็นเจ้าของตาเจ้าของยายก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเริ่มหนังเรื่องใหม่ต่อไปเกิดใหม่แล้วก็ไปหาหนังเอกหาพระเอกกันใหม่ต่อเนี่อกเรื่องของ ใจของพวกเราที่ไปหาร่างกายเพื่อที่จะให้ร่างกายใจร่างกายนี้พาเราไปหาความสุขต่างๆพาเราไปจนถึงวันสิ้นลมหายใจพอสิ้นลมหายใจใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหาความสุข กันใหม่อีกนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ไม่มีไม่มีความสุขภายในใจที่ต้องออกไปหาความสุขภายนอกก็ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายร่างกายก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายตาย อ, อก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เชื่อไหมว่าเราหา ร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านล้านแล้วคือนับไม่ท่วนดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายที่เราหากันที่เรามีกันเนี่ยมันมากมายจนนับด้วยตัวเลขไม่ได้เเพราะว่ามันมากมายอยากจะรู้ว่ามันมากขนาดไหนก็ให้เอาน้ําตา ที่เราหลังกันในแต่ลาครั้งที่เรามาเกิดกันร่างกายเรานี้มีน้ําตาใช่ไหมมีใครไม่ร้องไห้บ้างมีใครไม่หลังน้ําตาบ้างมีทุกคนเกิดมาแล้วต้องหลังน้ําตาใครเก็บไว้ไหมเวลามีน้ําตาลองเก็บไว้ใส่ถ้วยใส่แก้วไว้พระพุทธเจ้า บ, บอกว่าถ้าเราเก็บสะสมไว้เนี่ย น้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติถ้ามารวมกันนี่มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรสิคิดดูว่าจะต้องมีร่างกายกี่ร่างกายที่มาหลั่งน้ำตาถึงจะได้น้ำมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนพชาติจำนวนร่างกายของพวกเราที่เรามาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกัน มาทุกขกันแล้วก็ยังจะต้องทำอย่างนี้ต่อไปเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่สามารถสร้างความสุขภายในใจได้ตราบใดที่เรายังออกไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เราก็ต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ เหมือนรถยนต์นะถ้าเราต้องใช้รถยนต์พอรถยนต์คันเก่าเสียไปเราก็ต้องไปหารถคันใหม่มาใช้ในชีวิตของเรานี้เราอาจจะเปลี่ยนรถหลายคันใช้ไปห้าปีสิบปีเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็เป็นปัญหาเราก็ขายทิ้งไปซื้อคันใหม่มา อันใหม่ขับไปได้ห้าปีสิบปีเอเสียอีกแล้ว เ, เหมือนกันร่างกายรถยนต์หรือโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันะเในชีวิตเราเนี้ยคอยจดดูว่าดูว่าเราจะเปลี่ยนมือถือกี่เครื่องเอเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรื่อยๆทําไมต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะมันไม่เที่ยง เ, เพราะว่ามันอมันจะต้องพัง หรือมันจะใช้ไม่ได้บางทีมันไม่เสียแต่มันไม่ได้พัฒนาไปกับกับเหตุการณ์ต่างๆพอจะใช้มันก็ใช้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆก็ต้องเปลี่ยนนี่คือปัญหาของพวกเราปัญหาของสัตว์โลกทั้งปวง อยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ที่อวิชชาคือความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของตนเองอยู่ที่การทำใจให้สงบนี้เองเท่านั้นเองเป็นเหมือนเส้นผมบังภูเขาเส้นผมเส้นบางๆเอามาบาังภูเขาได้ ความสุขที่มีในตัวเรากับมองไม่เห็นกันกลับต้องไปไขว่คว้าหาความสุขภายนอกกันที่ไม่ใช่เป็นความสุขแท้จริงที่เป็นความสุขปลอมที่เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์นี่แหะคือความแตกต่างระหว่างสัตว์โลกกับพระพุทธเจ้า กับพระอาหารหันตสาวกแต ต, ต่างกันตรงนี้ต่างตรงที่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกไม่มีอวิชชาแต่สัตว์โลกทั้งปวงนี้มีอวิชชาคือมีความโง่มีความมืดบอดมีความหลงที่ไปหาความสุขภายนอกใจ ที่ไม่ใช่เป็นความสุขแท้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เป็นความทุกข์พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราก็จะต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจเรานี้เองอวิธีหาความสุขภายในใจของเราก็คือหยุดหาความสุขภายนอกถ้ายังหาความสุขภายนอกก็จะไม่เจอความสุขภายในแต่อยากจะเจอความสุขภายในใจก็ต้องหยุดหาความสุขภายนอก ความสุขภายนอกภายในใจเกิดจากการหยุดการทำงานของใจนั่นเองถ้าใจยังหาความสุขภายนอกใจก็ต้องทำงานใจก็จะไม่มีวันสงบไม่มีวันนิ่งถ้าอยากจะให้ใจสงบใจนิ่งใจมีความสุขใจก็ต้องหยุดหาความสุขภายนอก อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าในเบื้องต้นไม่อยากจะมาสอนเพราะเห็นว่าไม่มีใครอยากจะหยุดหาความสุขกันนั่นเองทุกคนอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาใจก็คิดแต่เรื่องนี้แล้วหาเงินที่ไหนวันนี้ ไปหามาบยศจัดรเสนที่ไหนกันดีะไปหาลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะที่ไหนดีคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานพอลืมตาขึ้นมาก็อคิดหาความสุขทางร่างกายก่อนนะต้องอาบน้ำรนะ่างกายมันร้อนอก็อาบน้ํานัางหน้าแปรงฟัน ร่างกายปวดท้องก็ต้องขับถ่ายขับถ่ายเสร็จที่ก็หิวอีกแล้วหิวข้าวก็ต้องหาอาหารให้ร่างกายกินไม่เคยคิดหาความสงบเลยลืมตาขึ้นมาไม่เคยคิดว่านั่งสมาธิดีกว่าไม่มีลืมตาขึ้นมาก็มีแต่จะต้องมาจัดการกับเรื่องของร่างกายก่อนว่ม แล้วพอจัดการเรื่องของร่างกายเรียบร้อยแนละ้วทีนี้ก็ไปไปหาราบยศสารเสริญไปหารูปเสียงกิดรดปฎภากันแนละวอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกนอกบ้านเพราะลาบยศสารเสริญรูปเสียงกิดรดมันไม่มีอยู่ในบ้านนะต้องออกไปหานอกบ้านออกไปหาทั้งวันทั้งคืนจนเมื่อหมดแรงก็กลับมานอนพักผ่อน พอรุ่งเช้าก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไปนี่คือวัตจักของชีวิตออกนอกบ้านเพื่อไปแสวงหาราบยศสระเสญหารูปเสียงกลิ่นรสผธพภะจดร่างกายหมดเรี่ยวหมดแรงก็กลับมาพักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาก็ออกไปอีกแล้วออกไปจนกว่าจะออกไม่ได้ ออกไปจนกว่าร่างกายไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงบางทีไม่มีเรื่องไม่มีแรงก็ยังมีรถเข็นให้นั่งมีคนมาเข็นให้ออกไปอีกทําไมไม่อยู่บ้านอยู่ไม่ได้เพราะมันเคยออกตลอดเวลาให้อยู่บ้านแล้วมันหงุดหงิดมันทุกข์มันไม่มีลาบยศสรลเสริญไม่มีรูปเสียงกิจนรดให้เสพนั่นเองะ นี่คือการที่เราไม่ได้มีความสุขภายในใจมันจะทำให้เราต้องไปทำออกไปหาความสุขภายนอกใจตลอดเวลาจนในที่สุดจนเราไม่สามารถจะหาได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจไปจนวันตาย นายแล้วก็ต้องรอไปรอไปมีร่างกายพอได้ร่างกายก็กลับมาทำแบบเดางถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทำเราก็จะ เข้าสู่กระบวนการสร้างความสุขภายในใจความสุขภายในใจนี้ต้องเกิดจากการสร้างมันวิธีสร้างมันก็คือหยุดการหาความสุขภายนอกใจนั่นเองการที่พระธเจ้าสอนให้เรามาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนานี้ก็เป็นวิธีหยุดการหาความสุขภายนอกใจ ธรรมดาเรามีเงินเราก็จะเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆกันซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรที่เราอยากได้เพราะเรารู้ว่าพอเราได้ซื้อมาแล้วเราจะมีความสุขกันถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็ดีกว่าไม่มีเลยพอถ้ามันชั่วคราวเดี๋ยวมันหมดก็มีเงินก็ซื้อใหม่อีก ซื้อต่อเองซื้อกระเป๋าใบนี้แล้วเดี๋ยวมันความสุขได้จากกระเป๋าใบนี้หมดไปเดี๋ยวก็ซื้อกระเป๋าใบที่สองต่อพอใบที่สองหมดก็ซื้อใบที่สามต่อซื้อมันไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากจะให้ใจเราสุขเราต้องหยุดซื้อของเหล่านี้หยุดซื้อความสุขต่างๆถ้าเรามีเงิน ที่เราอยากจะเอาไปซื้อความสุขต่างๆให้เอาไปซื้อบุญแทนการทำบุญนี้จะให้ความสุขกับใจที่ดีกว่าจะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นขบวนการสู่เข้าสู่ความสุขที่ถาวรเพราะถ้าเราเอาเงินไปทำบุญทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อความสุขภายนอก ก็เป็นการยุติการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆนั่นเองถ้าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วมันอดไม่ได้เดี๋ยวก็อยากจะไปซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้อสินค้าต่างๆเราเอาเงินที่เราอยากจะไปซื้อของเหล่านี้ไปทำบุญให้หมดมันจะได้ไม่มันอยากมันก็ซื้อไม่ได้มันก็จะ ยุติการหาความสุขภายนอกด้วยการใช้เงินเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องหาเงินเมื่อเราไม่หาเงินเราก็จะได้ยุติการออกไปนอกบ้านได้ออกไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆได้เราก็จะอยู่บ้านหรือไปอยู่วัดได้ไปอยู่วัดไปยุติทำกิจกรรมต่างๆ ที่เราเคยทำเพื่อให้เกิดความสุขเช่นร่วมหลับนอนกับแฟนเช่นกินอาหารตามความอยากตามความต้องการเหลือดูภาพยนตร์ดูละครร้องลําทำเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวเราหยุดกิจกรรมเหล่านี้ให้หมดเพื่อเราจะได้มีเวลามาหยุดใจที่ไม่ยอมหยุด ถึงแม้เราถึงแม้เราจะหยุดกิจกรรมแล้วแต่ใจมันก็ยังไม่ยอมหยุดมันก็ยังอยากจะไปทาอยูอ่บางคนถือศีลได้ไม่กี่วันก็ต้องยอมแพ้เพราะใจมันไม่ยอมมันไม่ยอมรักษาศีลมันไม่ยอมหยุดทากิจกรรมมันก็อยากจะไปทากิจกรรมต่อแทนถือศีนแล้วยังไม่พอ ถือสิ่แล้วก็ต้องมาเจริญสติเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากอีกทีหนึ่งถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยสติได้ใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นมานะนี่คือกระบวนการที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำกันถ้าเราอยากจะเข้าหาความสุขภายในใจเราต้องยุติ การทำงานของใจถ้าเราเคยใช้เงินใช้ใช้เงินใช้ทองก็ต้องหยุดมันถ้าเราเคยออกไปหาลาบยศสารเสรญออกหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องหยุดมันถ้ายังคิดยังอยากก็ต้องหยุดมันนี่เป็นการตัดความอยากต่างๆ เป็นตามขั้นตอนเหมือนกับการตัดต้นไม้การตัดต้นไม้ถ้าเราตัดใบตัดกิ่งมันก็ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้แต่มันยังไม่ตายเราก็ต้องมาตัดต้นให้มันตายตัดต้นมันก็ยังไม่ตายเราต้องถอนรากของต้นไม้ขึ้นมา มันถึงจะตายหมดอันนี้ก็เหมือนกันการทำบุญทำทานก็เหมือนกับการตัดกิ่งตัดก้านของความอยากต่างๆของกิจกรรมต่างๆที่เราไปทํากันเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขต่างๆมาทำบุญแล้วก็รักษาศีล น, นั่งสมาธิ อันนี้ก็จะเป็นการตัดต้นแล้วก็เพราะว่าความสงบที่ได้จากสมาธิยังเป็นความสงบชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาอีกถ้าไม่ควบคุมมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็พาเราไปทำกิจกรรมไปหาความสุขภายนอกใจได้อีก เราต้องใช้ปัญญามาสกัดมาขุดลากถอนโคลนของความอยากคืออวิชชาความหลงที่ยังลืมทั้งทั้งที่รู้ฟังเทศฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาว่าการไปทำตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์แต่พอมันอยากแล้วมันก็ลืมหมด ออกจากสมาที่มาพออยากจะดื่มกาแฟาก็ลืมหมดว่าดื่มกาแฟาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องทุกข์กับกาแฟาเพราะเดี๋ยวกาแฟามันจะต้องมีวันหมดเวลามันหมดก็ต้องไปหามันหาไม่ได้ก็ทุกข์อย่าไปดื่มกาแฟาดีกว่าอหยุดมันอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันจะทําให้เราต้องหาอยู่เรื่อยะ วิธีที่จะไม่หามันก็ต้องไม่ไม่ไปดื่มมันพอเราเลิกดื่มเราก็สบายไม่ต้องไปหากาแฟเราอยากจะทำอะไรเราก็ต้องเลิกทำเพราะถ้าเราทาแล้วเราก็ต้องไปทาอยู่เรื่อยๆอยากดูละครก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆอยากดูหนังก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆอยากดื่มอยากรับประทานอะไ ร, ะไรก็จะดื่มรับประทานไปเรื่อยๆ เราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการหาความสุขนี่เป็นการไปหาความทุกข์เพราะจะต้องวุ่นวายอยู่กับการหาแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่มันหาไม่ได้หรือเวลาที่มันหมดไปอันนี้แหละที่จะทำให้ใจเลิกอยากหยุดความอยากต่างๆได้ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเอง พอมีปัญญาแล้วทีนี้ก็จะไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นใจก็จะสงบไปถาวรความสงบนี้ถูกความอยากมันทําลายเวลาเข้าไปในสมาธินี่เราใช้สติหยุดความอยากหยุดความคิดแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราเผลอไม่มีสติความอยากมันก็ผุดขึ้นมาทันทีมันยังไม่ตาย มันจะตายก็ตอเมื่อมีปัญญามาสอนว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นตัวที่ทำให้เราต้องไปหาอะไรมาอยู่เรื่อยๆหามาได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิบไม่พอแล้วถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกรือได้มาแล้วพอเสียไปก็ทุกข์อีก อนั้อย่าไปทําตามความอยากโดยเด็ดขาดฝืนมันให้อย่าไปทําถ้าเรามีสติมีกําลังทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้เราก็จะมีกําลังฝืนสติดะฝืนความอยากได้พอมันอยากแล้วเรารู้ว่าไม่ควรทําตามความอยากด้วยปัญญาเราก็อยู่เฉยๆ น, นั่นเองอยากจะดื่มกาแฟาก็ไม่ดืม่มเฉยๆไป เดี๋ยวความอยากมันก็หายไปเองนี่คือวิธีการที่เราจะเข้าหาความสุขที่แท้จริงภายในใจของเราได้ต้องหาผ่านการทำทานทำบุญทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิทำใจให้สงบและการเจริญปัญญาให้เห็นว่า ความสงบนี้จะอยู่กับเราไปได้ต้องทำลายความอยากต้องไม่ทำตามความอยากเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราไม่สงบ พ, พอเราหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบการทำตามความอยากก็ไม่ได้ทำให้เราได้ความสุขที่แท้จริงได้ความทุกข์แต่การไม่ทำตามความอยากนี่แหละเป็นการกระทำ ที่จะให้เราได้ความสุขที่แท้จริงอันนี้คือปัญญาต้องเห็นว่าการมีความอยากเราจะทำให้เราไม่มีความสุขที่แท้จริงถ้าเราอยากจะมีความสุขที่แท้จริงเราต้องไม่ทำตามความอยากถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะฝืนความอยากได้จะไม่ทรมานใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมา ใช้สติใช้สมาธิระงับระงับความอยากได้แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิถึงแม้จะมีปัญญาถึงแม้รู้ว่าการทำตามความอยากจะนำมานำไปสู่ความทุกข์ก็หยุดมันไม่ได้ เพราะไม่มีกำลังที่จะหยุดมันกำลังที่จะหยุดความอยากก็คือสติสมาธิเท่านั้นปัญญาเป็นเพียงผู้บอกเหตุผลว่าเราทำไมไม่ควรทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ค ว, สความวุ่นวายใจต่างๆเท่านั้นเองปัญญาบอกได้เท่านี้แต่ปัญญาไม่สามารถหยุดความอยากได้ ผู้ที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสติและสมาธินี่เองแต่ถ้ามีแต่สติสมาธิก็จะไม่สามารถกำจัดความอยากได้อย่างท้าวนอนเพราะสติไม่รู้ว่าความอยากเป็นตัวปัญหาที่จะต้องกำจัดอย่างท้าวอไม่รู้วิธีที่จะกำจัดมันอย่างท้าวอนว่ากำจัดอย่างไรรู้เพียงแต่ว่ากดมันไว้หยุดมันแต่พอ พอไม่กดมันมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ผู้ที่จะทำให้มันไม่โผล่ขึ้นมาใหม่ก็คือปัญญาปัญญาบอกว่าถ้าไม่อยากจะให้ความอยากโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็อย่าไปทำตามความอยากทุกครั้งที่มันอยากก็อย่าไปทำมันแล้วความอยากมันจะอ่อนกำลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดกำลังเช่นคนอยากสูบบุหรี่ ถ้าไม่สูบทุกครั้งที่อยากสูบบุหรี่ไม่สูบเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่ก็หมดกำลังไปเองอยากดื่มกาแฟาก็เหมือนกันทุกครั้งที่อยากดื่มกาแฟาถ้าไม่ดื่มเดี๋ยวความอยากดื่มกาแฟามันก็หมดกำลังไปล้ามันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปคนที่ไม่ติดบุหรี่นี่ไม่เดือดร้อนเห็นบุหรี่ก็เฉยเฉย แต่คนที่อยากบุหรีนี่เห็นแล้วใจสั่นนะนี่แหละคือวิธีเข้าสู่ความสุขภายในใจต้องหยุดหาความสุขภายนอกใจหยุดเฉยๆด้วยกำลังความคิดของเรานี้ไม่พอต้องใช้มาตรการของการปฏิบัติของการกระทำ ร, รู้ว่าความสุขดแท้จริงอยู่ภายในใจ วิธีที่จะได้ความสุขภายในใจก็ต้องหยุดหาความสุขภายนอกใจรู้แค่นี้ไม่พอเพราะมันยังห้ามใจไปหาความสุขภายนอกไม่ได้ฟังเทศเจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก็ไปหาความสุขภายนอกกันนะเดี๋ยวก็เปิดตู้เย็นนะแล้วก็เปิดทีวีนะเดี๋ยวก็เปิดมือถือแล้วนี่เป็นการหาความสุขภายนอกใจทั้งนั้นแต่ถ้า ถ้ามีทัาฉลาดแล้วทำได้จริงก็เก่งพอรู้ว่าต่อไปนี้ถ้าอยากจะมีความสุขภายในใจพอใจอยากจะไปหาความสุขภายนอกก็ฝืนมันเลยเราอยากทำอยากจะเปิดมือถือก็ไม่เปิดเปิดทีวีก็ไม่เปิดเปิดตู้เย็นก็ไม่เปิดถ้าจะกินง่ายมันกินวันละมือ้อกินเพื่อร่างกายก็กินวันละมือ้อถ้ากินหลายมื้อก็กินเพื่อความอยากกินเพื่อความสุข บางคนฟังแล้วเข้าใจก็สามารถทําตามได้เลยบางคนพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้เฉยๆให้เห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆอย่าไปอยากกับสิ่งที่เรารู้อย่าไปอยากกับสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินให้รู้เฉยๆพอทําได้ก็ก็สบายใจไม่ติดกับอะไร เห็นอะไรก็ไม่ติดเห็นอะไรก็ไม่อยากได้เห็นบุหรีก็ไม่อยากได้คนที่ไม่ติดบุหรีนี่เห็นบุหรีไม่ไม่อยากได้บุหรีแต่คนที่ติดบุหรีนี่เห็นแล้วอยากได้คนที่ติดเสื้อผ้ากระเป๋านี่พอเห็นแล้วก็อยากได้คนที่ไม่ติดเห็นแล้วก็เฉยเฉยนี่เราต้องเฉยเฉยกับทุกอย่างเฉยกับเฉยกับอยากยังไงดีกว่ากันเห็นแล้วเฉยมันสบายหมอ่า แต่เห็นนล้วอย่างนี่เป็นยังไงโอ้ยเหมือนเอามีดา ก, กรีจใจเสียววับขึ้นไปในใจออนี่แหละคือเรื่องของใจของเราที่ตอนนี้หยุดหาความอยากภายนอกใจไม่ได้ก็เลยไม่มีความสุขภายในใจถ้าเราหยุดหาความสุขภายนอกใจได้เราก็จะมีความสุขภายในใจ อ, อย่างน้อยเดี๋ยวนี้เรา มีวิธีแล้วถ้าเราไม่สามารถหยุดได้ด้วยความคิดความเข้าใจของเราเราก็ต้องหยุดด้วยการปฏิบัติคือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี่ อ, อ่าไม่เชื่อลองทำดูสมมติว่าอยากจะไปซื้ อ, อกระเป๋าใบใหม่แต่กระเป๋าใบเก่าก็มีอยู่ต้งหลายใบแล้วมันก็ไม่เสียไม่ชำนุดตรงไหนดีเหมือน เพราะบางทีซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เลยซื้อมาแล้วใช้แค่วันสองวันแล้วก็เก็บไ ว, ลว้ละเราเอาเงินที่อยากจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ไปทําบุญด้วยต่อไปความอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่มันจะหายไปทุกครั้งที่อยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทําบุญนะทุกครั้งอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ถ้าคู่เก่ายังใช้ได้อยู่ก็เอาไปทาบุญลนะทาอย่างนี้ไปรับเราได้ ต่อไปจความอยากจะซื้อของต่างๆมันจะหายไปต่อไปเห็นกระเป๋าใบใหม่ก็เฉยๆเห็นรองเท้าคู่ใหม่ก็เฉยๆนี่นหละคือความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำบุญนี้ก็เพื่อมากำจัดความอยากซื้อของต่างๆเท่านั้นเองซื้อของจาเป็นซื้อได้ไม่ห้ามนะของที่จำเป็นจะต้องมีเช่นปัจจัยสี่ ถ้าขาดก็ต้องมีขาดอาหารก็ต้องซื้ออาหารขาดเสื้อผ้าก็ต้องซื้อเสื้อผ้าแต่ถ้ามีพอก็อย่าไปซื้อเท่านั้นเองเราเรับรองได้ว่าต่อไปความอยากซื้อของต่างๆก็หมดไปเมื่อหมดไปความต้องการการต้องการมีเงินทองก็ไม่มีไม่ต้องมีต่อไปไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อน หมถึงเงินทองที่จะไปซื้อของตามความอยากต่างๆแต่เงินทองที่ต้องมีซื้อของจำเป็นอันนี้ก็ต้องมีด้วยกันทุกคนต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยอันนี้ไม่ใช่เป็นความอยากเป็นความจำเป็นอันนี้มีได้เมื่อมันไม่มีก็ต้องหามาแต่มันจะไม่ทำให้เราต้อง หามาแบบไม่ไม่มีไม่มีขอบปีเขตเราหาตามขอบเขตตามความจำเป็นเท่านั้นก็จะไม่ต้องเสียเวลามากเราก็จะไม่ต้องไปดิ้นรนไปเหน็ดไปเหนื่อยอยู่เฉยๆมีความสุขกว่าทำงานแทนที่จะต้องทําทุกวันก็ทำอาชีพอิสระก็ได้ถ้าเรา หาเงินทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้องขายประกันก็ได้ขายเครื่องสำอางก็ได้วันไหนไม่อยากจะขายก็ไม่ต้องขายเมื่อมีพอกินพอใช้แล้วก็หยุดได้ไว้ไม่พอกินไม่พอใช้ค่อยไปขายใหม่ก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องของการหาความสุขภายในใจการที่เราจะมีความสุขภายในใจความสุขที่ถาวร เราต้องเลิกหาความสุขภายนอกใจเลิกหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆพอเราเลิกเราก็จะมีความสุขคนที่ไม่ต้องหาเงินกับคนที่ต้องหาเงินนี่ใครสบายจงกว่ากันคนที่ดิ้นรนหาเงินท่าเป็นท่าตายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าวุ่นวายเครียดกับการหาเงินได้มาแล้วก็มา ซื้อของไม่จําเป็นทั้งหลายซื้อของเล่นทั้งนั้นของไม่จําเป็นก็เหมือนของเล่นเหมือนเด็กๆซื้อตุ๊กตาซื้อรถอะไรรถรถเล่นเครื่องเล่นต่างๆซื้อมาเล่นกันวันสองวันแล้วก็เบื่อแล้วแล้วก็ต้องซื้อใหม่เล่นอันนี้เบื่อแล้วก็ต้องซื้ออันนั้นซื้อไปเรื่อยๆบางคนมีเงินซื้อรถเป็นสิบๆคันใช่ไซื้อคันนี้ดีใจ สามวันเจ็ดวันเบื่อแล้วอยากจะซื้อคันใหม่ซื้อคันใหม่ดีใจอีกสามวันเจ็ดวันเบื่ออีกแล้วบางคนมีเป็นสิบคันเลยบางคนมีกําไลเป็นเป็นสิบกาไลมีแหวนเป็นสิบเป็นมีสร้อยเป็นสิบเป็นอะไรทั้งนั้นเหมือนกันหมดเป็นของเล่นทั้งนั้นของพวกนี้ให้ความสุขเดียวเดียวให้ความสุขตอนที่ได้ซื้อมาใหม่ใหม่ พอเดียวปั๊บเดียวก็เบื่อแล้วต้องหาซื้อของใหม่แล้วนี่จึงทำให้เราต้องดิ้นหลอนวุ่นวายกับการไปหาเงินหาทองมีเงินทองมากน้อยมีสมบัติมากน้อยก็ไม่มีความสุขเพราะมันไม่มีความสงบมันไม่หยุดอ่ะมันไม่หยุดความสงบเกิดจากการที่เราหยุดเราไม่ยอมหยุดกันเรามีแต่จะหามากขึ้นไปเรื่อย ยิ่งหามากก็ต้องทำมากคิดมากวุ่นวายมากพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราทาทานกันถ้าเรายัางต้องใช้เงินซื้อความสุขต่างๆให้เอาเงินไปทำบุญทําทานแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าด้วยซ้าไปเพราะทำบุญแล้วทำให้เราอิ่มเอิบใจมีความสุขใจ ที่ต่างจากความสุขที่ได้จากการไปซื้อของต่างๆบุญที่เราทํานี่มันทําให้เราเกิดความอิ่มความพอแต่เงินที่เราไปซื้อของมันทําให้เกิดความหิวความอยากเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต่างกันตรงนี้เมื่อเราเอาเงินไปทําบุญต่อไปความอยากจะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆก็จะหายไปหมดเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรต่อไป ซื้อแต่ของจําเป็นเท่านั้นอันนี้คือขั้นขั้นขั้นแรกเมื่อเราสามารถหยุดการหาเงินได้เราก็จะได้มีเวล า, าไปหยุดการอาทําใจให้สงบได้ไปอยู่วัดได้ไม่ต้องทุกคนที่บอกว่าไปอยู่วัดไปปฏิบัติทำไม่ได้ก็เพราะมีภารกิจหน้าที่การงานหาเงินหาทอง ยังไม่มีเวลากันนี้ถ้าเราหยุดหาเงินหาทองได้หรือหาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้ไปหยุดใจอย่างถาวรได้การจะหยุดใจอย่างถาวรได้ต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องเป็นกิจกิจกรรมหลักเลยต้องไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นเพราะกิจกรรมอย่างอื่นจะทาให้ใจไม่สงบ เราต้องการให้ใจสงบต้องหยุดกิจกรรมทั้งปวงทําเท่าที่กิจกรรมที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นดูแลร่างกายดูแลสถานที่อยู่อาศัยให้มันสะอาดเรียบร้อยเท่านั้นเองที่เป็นกิจกรรมที่จําเป็นต้องทำหรือรับประทานอาหารนอกกนั้นเ อ, เอามาหยุดกิจหยุดความอยากกันดีกว่า หยุดความอยากที่จะไปทำอะไรต่างๆหยุดมันให้หมดหยุดด้ยการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาอันนี้แหละคือเครื่องมือที่เราต้องมีเพราะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะหยุดความอยากไม่ไดนน้เปรียบเหมือนกับเวลาที่รถยนต์มันยางแตกนี่ ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราเปลี่ยนยางไม่ได้การจะเปลี่ยนยางได้เราต้องมีแม่แรงยกล้อขึ้นยกล้อให้มันลอยขึ้นแล้วก็มีที่ขันนอ็อตเพื่อคลายน็อตที่มันติดติดกับยางพอเราคลายยกรดขึ้นคลายน็อตออกเราก็เปลี่ยนยางได้เอาอยางแตกออกเอาอยางที่ดีใส่เข้าไป แต่ถ้าเราไม่มีแม่แรงเราไม่มีที่ที่ขัดนัดเราจะทํำยังไงใช้มือเปล่าทําได้มหมยกรถขึ้นมาด้วยด้วยตัวเราได้ไมอมไม่ได้หรอกชันใดเออการที่เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในใจแลการที่เราจะได้ความสุขภายในใจเราต้องหยุดหาความสุขภายนอกใจเราหยุดได้ไหมอันนี้คือข้อสรุปของธรรมะของพระเจ้าอยู่แค่ตรงนี้แหละ อยากจะมีความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์ก็ต้องหยุดหาความสุขภายนอกใจเท่านั้นเองหยุดได้หรือเปล่าต่อไปนี้หยุดได้มั้ยต่อไปนี้จะไม่หาลาบยศสรรเสริญจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็บรรลุได้ทันนี้บรรลุได้เดี๋ยวนี้เลยบางคนพระพุทธเจ้าสอนแค่ น, นี้เขาก็บรรลุได้เลย เพราะในใจเขามีกำลังเขามีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่มีปัญญามีสติมีสมาธิพอพระพุทธเจ้าสอนปัญญาเขาก็เลยรู้เลยว่าปัญหาก็คือการที่เราไม่หยุดใจเรานั่นเองไม่หยุดใจเราไปหาความอยากไปหาสิ่งต่างๆพอเราหยุดใจของเราไม่ให้ไปอยากไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆใจของเราก็สงบขึ้นมาทันทีมีความสุขขึ้นมาทันที ไม่ต้องมีมีอะไรต่อไปอันนี่แหละคือตอนนี้เรามีปัญญาแล้วพระพุทธเจ้ามอบปัญญาให้กับเราแล้วว่าถ้าอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต้องหยุดหาความสุขต่างๆภายนอกไปให้หมดนะถ้ายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือพระพุทธเจ้าก็มีเครื่องมือให้ยืมพระพุทธเจ้าบอกเอาสติไปเอาสมาธิไป เอาปัญญาไปเอาทานไปเอาศีลไปนี่แหละคือเครื่องมือที่จะหยุดหาความสุขภายนอกใจเหมือนกับเวลายางแตกเราไม่มีเครื่องมือมีรถเขาผ่านมาเขาเห็นเขาก็จอดเอก็ไม่มีเครื่องมือละเดี๋ยวจะให้ยืมอ่ะให้ยืมแม่แรงให้ยืมที่ขันคลายน็อตเขาก็ช่วยจัดการให้เราเดี๋ยวก็เปลี่ยนยางได้เอ อันนี้ก็เหมือนกันเพวกเราตอนนี้ยางแตกไม่มีเครื่องมือกันพระพุทธเจ้าขับรถผ่านมาเห็นข้าวกันเลยบอกว่ า, วามาเรามีเครื่องมือจะให้ยืมเอาเครื่องมือนี้ไปใช้แล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนยางได้ตอนนี้พวกเราทุกข์กันพระพุทธเจ้าบอกเราจะทําให้พวกเราพวกเธอหายทุกข์ได้เรามีเครื่องมือให้พวกเธอยืมกันเอาทานไปเอาศีลไปเอาสมาธิไปเอาปัญญาไป ได้เครื่องมือปั๊บเอามาใช้กับใจเราปุ๊บเดียวทก็หายเลยความทุกข์ใจทั้งหลายก็จะหายหมดไปความสุขใจก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุด mm. นี่แหละพวกเราเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธเจ้าตรงนี้ตรงที่พระพุทธเจ้ารู้วิธีที่จะทำให้ใจเราหายทุก แล้วก็มีเครื่องมือให้พวกเรามายืมใช้กันโดยไม่คิดค่าค่ายืมให้ฟรีธรรมทานเห็นไหมการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราอจะทำให้จิตใจของสัตว์โลกที่ได้ธรรมะไปี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พส์กอดความสุขที่แท้จริงที่ถาวร นี่แหละคือเรื่องของธรรมะที่จะที่เราควรสนทนากันควรถามกันควรคุยกันอย่าไปคุยเรื่องเสื้อผ้าอย่าไปคุยเรื่องเงนินเรื่องทองเรื่องตำแหน่งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องที่กินที่อะไ ร, ะไรต่างๆเสียเวลามาคุยเรื่องธรรมะกันดีกว่ามีคนมีประโยชน์กว่าอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากันมาฟังธรรมกันในวันนี้ เป็นการทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่จิตใจเพราะทำให้เราได้รู้ว่าความจริงของความสุขของเราอยู่ที่ตรงไหนและจะต้องทำอย่างไรท่้นนั้นที่แล้วเราจะต้องทำอย่างไรพอเรารู้แล้วถ้าเรานำเอาไปทำได้เราก็จะสามารถพบกับความสุขที่แท้จริงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริลปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตถินังเปตาณังอุปกาปติอิชิตังปะทิตังตุมหังเกปะเมวะสมิชัตโตสัพเพโุเรนตุสังกาปา ฉันโทปะนาหะโสยถามะนีโชติหะโสยถาสัพภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโคลมีนัสโตมาเตภวะตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุธาปจายโน ยะตาโรธรรมวาทานติอายุนโนสุขังพาลังอย่าเลี่ยงหนิงนะเลี่ยงแล้วมันจะมามสัตว์ตให้มันอยู่ตามธรรมชาติเวลามันมาควรจะหาไม้ตีไล่มันไปทำให้มันกลัวมันจะได้ไม่มา ถ้ามันไม่กลัวเดียวมันจะเข้ามาเดี๋ยวเราจะเวลามันตื่นเต้นตกใจมันก็จะกัดเราได้ใครมีไม้เอาไม้ไปตีใบ ไ, ไล่มันหน่อยก็ได้ออ ม, มันกลัวไม้พวกนี้มันอมเอาไม้กวาดที่กวาดเนี่ยยาวๆลงไปเคาะเคาะไล่มันมันเห็นไม้มันก็ออ ไม่งั้มันดือ้อมันจะดือ้อพอดีไอ้ลิงนี่มันเป็นลิงคนที่คนเลี้ยงเข้าม า, มาปล่อยลิงหางยาวนี่มันเลยไม่กลัวคนแต่ลิงป่านี่มันจะกลัวเ อ, อไปแล้วอันนี้มันลิงหางยาวออต้องไล่มันให้มันกลัวแล้วมันจะได้ไม่กล้าเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ กรับมัพการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ f ฟ c e b ๊ o สามร y อยหกสิบสองยูสองร้อยสี่สิบเก้าวิทยุออนไลน์สามสิบเจ็ดผู้รับฟังบนเขาสามสิบห้ารวมทั้งสิ้นหกร้อยแปดสิบสามท่านค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไมั้ยถามได้นะถ้าจะถามถ้าไม่อยากจะถามเม่เขียนใส่กระดาษมาให้อ่านก็ได้ บางคนไม่อยากจะรู้ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นคำถามของเรา ừ, ก็เขียนใส่กระดาษมาเหมือนกันคนเราทุกเหมือนกันโห้อกเดียวกันทุกเรื่องเดียวกันไม่เรื่องเงินก็เรื่องคนมอยู่สองเรื่องนี้ยังไม่มี <c oughs> เดี๋ยวเอาคำถามทางบ้านก่อนก็ได้ค่ะคำถามจาก f a c e b ุ๊ k คุณประทวนภูผานไร่เฮ้ย <Hey, S 1> ไปมาตรงนี้แล้วเฮ้ย hey. ใครเอาไม้กวาดมาหน่อยได้ไหมติดใจมันได้กินแล้วมันติดใจไม่ใช่พอให้มันกินแล้วมันจะติดใจต้องไล่มันให้มันกลัวไปแล้วออพอเห็นไม้ก็กลัวแล้วะ อถาม ค, คนบางทีไม่เข้าใจข่าว่าไปไล่สัตว์ตีสัตว์ไม่เมตตามันต้องสอนของบางอย่างมันต้องสอนบอกให้มันรู้ว่ามันควรไม่ควรอย่างไรถ้าเราไปเมตตามันอย่างเดียวมันก็ลามปลามาสมัยก่อนหลวงตาอยู่นี่หลวงตาใช้หนังสติก ค, คอยไล่หญิงสุนะักเพราสมัยก่อนที่วัดไม่ไ ม, มีรั้วไม่มีกำแพง สุนัขมันจะเข้าไปที่โรงครัวแล้วไปขุดคุยค้ยเขี่ยหาอาหารกินทำลายข้าวทำลายข้าของต่างๆหลงตาบางทีท่านต้องเดินเป็นยามอาคอยถือนังติ๊กพอมันมาท่านก็ยิงคนพอได้ข่าวว่าพ้าอลหานยิงหมาได้หรือทำไมยิงไม่ได้ไม่ได้ฆ่ามันนั่นหน่อยยิงสอนมันสอนให้มันรู้จักว่าอะไรควรไม่ควร ฉนั้นสอนได้ลงโทษได้อย่างสมัยนี้เดี๋ยวนี้คนเราหาว่าตีเด็กหาว่าไม่เมตตาไม่ตีแล้วเด็กบางทีมันก็เกเรมันมันก็ไม่เข็ดดาบมันก็ไม่กลัวบางทีต้องมีการลงโทษบ้างแต่เพียงแต่ว่าเราต้องระวังอย่าลงโทษแบบอารมณ์อย่าลงโทษด้วยความโกรธแล้วลงโทษแบบเกิน เกินเหตุเกินผละตีได้ว่ากล่าวตักเตือนได้ออย่างโบราณเขาบอกว่ารักลูกรักนักคัวให้ผูกรักลูกให้ตีเออสมัยนี้เขากลับมีความเห็นว่าตีตีเด็กไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่างประเทศก็ว่ามีกฎหมายห้ามตีเด็กอันนี้เด็กมันก็เลยสบายทําอะไรลื้อได้ อ่คำถามต่อค่ะคำถามจากคุณประทวนภูพันไร่หลังจากที่สวดมนต์จบแล้วพอมาแผ่เมตตาก็มีอาการขนลุกจนรู้สึกเย็นไปทั้งตัวมันเป็นอาการของอะไรคะเป็นบ่อยมากคะ่ะ๋ก็เป็นอาการปิติมั่งใจเราปิติมีความสุขก็เลยขนลุกแต่เราไม่ได้แผ่เมตตาเนะอันนี้เป็นการสวดเท่านั้นเองสวดบทแผ่เมตตา การแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำเพราะตอนนั้นไม่มีใครรับความเมตตาของเราเราไม่ได้ให้ความเมตตาเราเพียงแต่ให้คำคาสวดไปเท่านั้นเองการจะให้เมตตาก็ต้องเวลาที่เราพบกันมีเงินก็แบ่งกันใช้อย่างนี้เรียกว่าเมตตาเนี่ยแผ่เมตตาหรือมีข้าวของได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาเครื่องเก่ายังใช้ได้ดีอยู่ก็ให้เขาไป อย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาให้ความสุขแก่ผู้อื่นไงควาว่าแผ่เมตตาก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นญาติโยมวันนี้ก็มาแผ่เมตตาที่นี่ใช่ไหมเอาเก้าวของเงินทอ ง, งต่างๆมาถวายพระอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตต า, าการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันเวลาเราโกรธใครเราก็ต้องแผ่เมตตา ให้อภัยอย่าไปโกรธอย่าไปทื้อโทษโกรธเคืองกันออถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาเราจะมีความรู้สึกดีกว่าตอนที่เราสวดแผ่เมตตาคนเดียวไม่เชื่อลองทำดูออออคาถามต่อไปจะคุณอายราัสการบริจาคเลือดเป็นทานได้บุญอย่างไรครับอาก็เป็นสมบัติของเราเนี่ยเลือดก็เป็นสมบัติของเรา เหมือนกับข้าวของเงินทองก็เป็นสมบัติของเราพอเราต้องเสียสละของที่เราลากไปเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเพราะเราเสียด้วยความยินดีเพราะเราเห็นว่าจะช่วยคนอื่นให้เขามีความสุขได้หรือผู้ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้เราก็บอยจาคของที่เรามีให้คนอื่นไปก็เป็นบุญความสุขใจก็เรียกว่าบุญนะ คำถามต่อไปจะคุณเชอรี่บลัซซัมถ้าเราป่วยขึ้นมาแต่เราไม่อยากรักษาเช่นเป็นโรคไตไข้เลือดออกหรือเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างไข้ขึ้นเราไม่ทานยาอาจจะช็อกตายได้รู้สึกเรายอมเจ็บแล้วตายไปได้เหมือนกับคนสมัยโบราณที่การเดินทางเป็นไปได้ยากวิทยาการทางการแพทย์ไม่ทันสมัย แบบนี้จะถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมคะไม่หรอกเราก็ปล่อยให้ร่างกายอยู่แล้วไม่ได้ไปบีบคอไม่ได้เอาอะไรไปอุดจมูก <S <S <S <S ถ้าอุดจมูกเนี่ยฆ่าตัวตายเอามีดมาเฉือนคอเนี่ยฆ่าตัวตายแต่ถ้าปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอันนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายเป็นการปล่อยวาง คำถามต่อไปจะคุณสิริมาถ้าสวดอิติปิโสในใจกับท่องพุโทโธจิตจะรวมเป็นสมาธิเหมือนกันไหมเจ้าคะก็ลองดูซิอันนี้ต้องทำดูแต่เท่าที่เท่าที่ประสบประการมาการสวดนี่ทำให้จิตรวมไม่ได้นะการจะทำให้จิตรวมจิตต้องเพ่งอยู่ครับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจหรือพุโทโธอย่างเดียวถึงจะรวมได้ คำถามต่อไปจากายการที่เราแอบชอบเขาฝ่ายเดียวแล้วตัดใจไม่ได้สักทีเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราไหมคะแล้วจะทำยังไงที่จะตัดใจได้คะไม่หรอกเป็นกิเลสของเราเป็นกิเลสไปชอบเขาไปรักเขาก็ต้องใช้อสุภะชอบใครก็ต้องดูตอนที่เขาตายบ้างตอนที่เขาเป็นซากศพเนี่ย เวลาเขาไม่หายใจเรายังจะไปชอบเขาด้วยก็บ้างเลยดูตับไตไส้พุงของเขาบ้างก็ได้เขาไม่มีเขามีตับไตไส้พุงที่เรามองไม่เห็นกันพยายามนึกถึงอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะทำให้เราคลายความความหลงความรักเขาได้ ดูนึกถึงภาพเวลาหนังเขาเหี่ยวย่นเวลาผมเขาล่วงผมงอหลังค่อมอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราไม่รักเขาก็ได้คะคำถามต่อไปจะคุณธยากรจิตกับสติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดสติเป็นผู้คอยควบคุมผู้รู้ผู้คิดอีกทีหนึ่ง สติเป็นผู้คอยควบคุมความคิดควบคุมให้ผู้รู้รู้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามต่อไปจากคุณอ้อยอ้อยทิพย์มีคนรู้จักเขาเล่าว่าเขาเห็นหลวงปู่มั่นมาบอกว่าท่านอยู่อนาคามีและยังต้องลงมาเกิดเพื่อขนสัรพสัตว์อีกแบบนี้เรียกว่าวิปัสสูกิเลสไหมคะ หรือเป็นสภาวะของการปฏิบัติที่ติดนิมิตจนแยกไม่ออกแต่เขาอ่านใจคนได้พูดเรื่องคนอื่นเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเลยค่ะใช้ปัญญาในการสนทนาน่าเชื่อถือค่ะสามารถเรียกได้ว่าจิตหลอกจิตหรือเปล่าคะก็อย่าไปสนใจเรื่องของเขาสนใจตัวเราดีกว่าเราจะไปรู้เขาพูดจริงไม่จริงเขาพูดมาจากอะไร อย่าไปสนใจฟังหูไว้หูก็แล้วกันถ้าเอามาทำเงินน้านได้ก็เอามาถ้าเอามาแล้วไม่ได้เงินร้านก็อย่าเอามาถ้าเอามาแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าเอามาฟังหูไว้หูรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบะคามไม่ต้องไปวิตกวิจไปวิภาควิจาร์ให้เหน็ดให้เหนื่อยเปล่าๆคำถามต่อไปจะคุณวัชรา มีสองข้อนะคะข้อหนึ่งทำอย่างไรถึงจะลดความกังวลภายในใจได้ครับเช่นกังวลเรื่องงานกังวลเรื่องเรียนหรือกังวลในเรื่องอื่นๆที่จําเป็นต่อการดํารงชีพครับก็ต้องพยายามละลดละการพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆให้น้อยลงไปเพราะถ้าเราพึ่งมันเราก็ต้องหวังให้มันให้เป็นที่พึ่งของเราได้ แต่มันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เรากังวลน้อยก็ต้องอย่าไปพึ่งอะไรมากพึ่งตัวเอง่ดีที่สุดอย่างอื่นพึ่งอย่าไปหวังคือพึ่งได้ก็พึ่งไปแต่ต้องพร้อมที่จะพร้อมที่จะอยู่โดยที่ไม่มีมันได้ถ้าต้องมีแล้วมันก็จะทำให้เรากังวลข้อสอง เวลาน้อยใจเช่นคนอื่นจับกลุ่มคุยกันไปกิจกรรมต่างๆแล้วไม่ชักชวนเราทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสังคมต้องพิจารณาอย่างไรครับก็พิจารณาว่าเป็นกรรมของเรากแล้วกัน <c oughs> เราคงจะทาตัวให้คนเขาไม่ชอบ <c oughs> เขาก็เลยไม่อยากจะให้เราเข้าไปายุ่งเกี่ยวด้วย ขาดสัมพันธไมตรีขาดเมตตาเราไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นผู้อื่นเลยไม่อยากที่จะเข้าใกล้เราถ้าเรามีความเมตตาแล้วรับรองได้จะมีแต่คนรักคนชอบเราแต่พุทธเจ้าอ น, นิสงส์ท่านแสดงไว้อ น, นิสงส์ของความเมตตาก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งปวงเทวดาจะคุ้มครองรักษา นันานได้อยากจะให้คนเขารักเขาชอบเราให้เราไปร่วมกิจกรรมกับเขาเราต้องเป็นคนที่มีความเมตตาก็คือต้องเสียสละอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเป็นอยู่ที่ไหนเห็นแก่ตัวไม่มีใครก็อยากจะคบด้วยแหละไปอยู่กับใครก็จะเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวไม่ยอมเสียประโยชน์ให้เขาไม่ยอมจ่ายกินก็ไม่ยอมควักกระเป๋าสักทีทำท่าควักแต่ไม่เคยควักก็ที ต่อไปจะคุณดีดีอไกลจะเอาชนะความเกลียดความโกรธได้อย่างไรคะก็นี่แหละก็ต้องแผ่เมตตาต้องให้อภัยใครก็ทำอะไรก็อย่าไปถือสาเขาวิธีที่ยังไม่ถือสาก็มองให้มองเขาว่าเป็นเหมือนเด็กทารกก็แล้วกัน เด็กทาลกเด็กเล็กนี่มันจะขี้จะเยี่ยลงไหนเราก็ไม่ไปโกรธเนี่ยเพราะเรารู้ว่ามันไม่มันไร่เดียงสาคนที่โตแล้วก็เหมือนแต่จิตยังเป็นจิตไล่เดียงสาอยู่ทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายแสดงว่าเป็นคนไล่เดียงสาไปถือโทษกดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรยังอย่าไปถือโทษดีกว่าคอยพยายามดบมันดีกว่าคอยอยู่ห่างๆมันดีกว่า คำถามต่อไปจาก y o u ูทูบคุณโอยูยความเป็นพหูสูตรกับความรอบรู้ในศิลปะในมงค ล, ลสูตรต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้ศึกษาซับภาษาศัพท์เหล่านี้บอกอพหูาาสูตรแปลว่าอนะไรรู้หมผู้รู้ในทุกๆเรื่องรู้ในทุกเรื่องแล้วใน ใ, ในอะไรสูตรนะที่กระทำมงคลสูตรค่ะมงคลสูตรกนะ็ไม่รู้ละก็คงจะ คงจะถ้ารู้ทุกเรื่องได้ก็ดีสิแต่ความจริงทางศาสนาไม่ต้องรู้ทุกเรื่องขอให้รู้เรื่องธรรมะก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องรู้ก็ได้รู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้เรื่องธรรมะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขอให้รู้เรื่องเดียวคือรู้เรื่องธรรมอย่างพระพทเจ้าท่านบอกว่าใบไม้ในกามือกับใบไม้ในป่าเนี่ยใบไม้ในป่าเยอะกว่าใบไม้ในกำมือใช่ไ คำสอนมุทธเจานี้ท่านบอกเป็นเหมือนใบไม้ในกามือถ้าเอาความรู้ที่จำเป็นมาสอนเราเท่านั้นเองแต่ความรู้ที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องรู้ไม่ต้องรู้ก็ได้รู้ได้ก็ดีแต่ไม่รู้กไ็ไม่เสียหายตรงไหนแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือความรู้ที่จะทำให้เรากำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจเท่านั้นที่เราต้องรู้กันค่ะคำถามต่อไปจะคุณเบนนิเมดขออนุ ญ, ญาตนะคะ ควรคิดอย่างไรเพื่อการลดน้ําหนักเพื่อไม่ให้มีโรคเยอะอ๋อเวลาอยากอาหารก็นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่ถ่ายออกมาถ้านึกถึงภาพเหล่านี้แล้วมันจะไม่อยากกินนะอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานเห็นแล้วน้ําลายไหลเป็น <c oughs> แต่นึกถึงพิซซ่าควันลอยขึ้นมานี้น้ำลายไหลแล้วแต่พอคิดถึงพิซซ่าที่ออกมาอยู่ในช่วงนี้มันก็ <c oughs> ไม่ลงะคำถามต่อไปจะคุณชุติมาอยากรักษาศีลห้าแต่ต้องทำกับข้าวทานเองต้องผิดศีลปานาติบาตต้องวางใจอย่างไรดีคะเมนจะต้องปานาติบาตตรงไหนเนี่ยทำกับข้าวเอง ซื้อของที่ตายมาแล้วก็ไม่ไม่บาปซื้อเนื้อปลาเนื้ออะไรต่างๆที่เขายในตลาดตายแล้วมาทอดมาทำมันไม่บาปหรอกทำได้ทำกับข้าวเองได้คำถามต่อไปจากคุณเอพยายามนั่งสมาธิค่ะทำยังไงไม่ให้คิดคะก็ฝึกสติไงพยายามหมั่นพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยถ้าเราพุโทโธมันก็จะคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ถ้าเราขี้เกียจพุทโธมันก็จะคิดอยู่เรื่อยเนะเห็นต้องขยันพุทโธทำไม่ขยันคิดเรื่องอื่นได้ทำไมไม่ขยันมาคิดพุทโธกันมันก็ความคิดเหมือนกันเอแต่พุทโธมันไม่มันคิดเรื่องอื่นมันสนุกคิดวิพากษ์วิจารณ์ด่าคนนั้นด่าคนนี้แล้วมันรู้สึกมันมันดีพอให้มาคิดพุทโธพุทโธแล้วมันจืดชืดมันก็เลยไม่อยากจะคิดกัน พยายามคิดเถอะพุโทโธเนี่ยดีดีตรงที่มันจะทําให้จิตเราว่างจิตเราเย็นจิตเราสบายคําถามต่อไปจะคุณชัยประสิทธ์กายว่างจิตว่างแต่รู้ว่าว่างแล้วตอบยังไงแล้วไปต่อยังไงครับก็อย่าไปผิดทางแนละ้วกายมันมันว่างทําไมว่างยังไงคําว่ากายว่างเป็นยังไง เราไม่ได้การรู้ว่ากายว่างเราต้องรู้ว่ากายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเร า, เาถึงจะเรียกว่ารู้กายาไปรู้ว่ากายว่างนี่ก็หลงนะากายว่างไปว่าอะไรใช่ไหมใจว่างใจว่างก็คือใจนิ่งใจสงบใจไม่คิดปรุงแต่งถ้าว่างได้ก็ดีพยายามทำให้มันว่างอยู่เรื่อยๆว่างจากความคิดปรุงแต่งว่างจากความโลภความโกรธความหลง พยายามทำมันไปเรื่อยๆให้มันว่างไปเรื่อยๆส่วนกายนี้ต้องให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเราคำถามต่อไปจากคุณดีดีออไกส์อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเหมือนกันนะคะจะลองขออนุญาตอ่านค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ไม่ว่าท่านั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมคะมาถึงนั่งนั่งอยู่นั่งอย่างเดียวไม่ไม่ทำท่าอื่นได้ท่า ถ้าทำน้อยก็นั่งนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าทำมากทำทั้งวันทั้งคืนนี้นั่งอย่างเดียวไม่ไหวนั่งนานๆมันเมื่อยก็ต้องลุกมาเดินมาเดินก็ก็ภาวนาต่อได้พุทธโธต่อได้ควบคุมใจควบคุมความคิดต่อได้ต้องเปลี่ยนนิยยาบทเพราะร่างกายเรามันถ้าอยู่ในท่าไหนนานๆแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นง่อยมันจะพิกลพิการขึ้นมา ก็เต้องมีการเปลี่ยนเอริยาบทเราจึงมีเิริยาบทสี่เดินยืนนั่งนอนเพะฉนั้นเวลาภาวนาถ้านั่งแล้วมันเมื่อยเราก็ลุกมาเดินแต่ถ้าเรานั่งเราภาวนาแค่ครึ่งชั่วโมงนี้เราก็นั่งอย่างเดียวก็ได้เร็จแล้วเลการปฏิบัตินี้ปฏิบัติที่ใจไม่ได้ปฏิบัติที่ร่างกาย แต่อาศัยร่างกายเป็นตัวที่จะบังคับให้ใจได้ปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราเอาร่างกายไปเที่ยวเราก็ปฏิบัติไม่ได้เราต้องเอาร่างกายมานั่งเฉยๆหรือถ้าเราต้องทำงานเราก็าควบคุมใจไปพร้อมๆกับการทำงานได้อันนี้เป็นการปฏิบัติทางใจ ทางใจนี้เราต้องการควบคุมใจควบคุมความคิดควบคุมกิเลสตัณหาสิ่งที่จะควบคุมกิเลสตัณหาได้ก็คือสมาธิและปัญญาหรือสติและปัญญาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องฝึกสติเจริญสติอยู่เรื่อยๆก่อนซึ่งเราทําได้ในอิริยาบถสี่ ฝึกสตินี้ไม่ต้องนั่งฝึกสตินี้พุโทโธได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธไปลุกจากเตียงก็พุโทโธไปอาบน้าอาบท่าก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ร่างอย่าปล่อยให้ใจคิดเลือดเปื่อยถ้าต้องคิดเรื่องที่สำคัญก็หยุดพุโทโธได้บ่อยคิดเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิด พอคิดเสร็จก็ถ้าจะไปคิดเลือ่อยเปื่อยก็ใช้พุโทโธหยุดมันถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้าใจว่างยุดปราศจากความคิดก็ให้ให้คอยสังเกตคอยดูอย่าให้มันคิดพอมันคิดก็ต้องหยุดมันแล้วเราก็ทำงานทำการอะไรของเราไปตามหน้าที่ของเราพอเวลาเราว่างเราอยากจะให้ใจนิ่งสงบมีความสุขเราก็ต้องนั่งเฉยเฉนั่งหลับตา ถ้าเราเป็นคนที่อยากจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเรานั่งอย่างเดียวมันก็นั่งไม่ได้นานชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เมื่อยละเราก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแล้วเราก็มาเดินจงกรมแทนเดินจงกรมก็ควบคุมใจต่อไปพุทโธต่อไปหรือเฝ้าดูเท้าก็ได้ถ้าเรานั่งเราดูลมเวลาลราลุกขึ้นมาเราดูเท้าแทนนมก็ได้เพราะเท้ามันดูง่ายกว่าลมลมมันดูยากกว่าเอ ก็คอยควบคุมใจไม่ให้คิดนั่นเองเนี่ยทาถ้าทำาทำั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเดินทักพักก็เมื่อยเมื่อย ก, ก็กลับมานั่งใหม่พอเมื่อยอีกก็ ล, กลุกขึ้นมาเดินอีกทั้งง่วงก็กพักหลับนอนเดิ น, นขึ้นมาก็เดินต่อนั่งต่อไปทำอย่คอยควบคุมใจคอยควบคุมกิเลสปัญหาความโลภความอยากต่างๆให้มันหมดไปเท่านั้นเองค่ะมีคำถามเข้ามาแล้วค่ะ จะคุณนนิวูมีภรรยาแล้วครับแต่พอเจอสาวสาวสวยๆแล้วอดมองไม่ได้มันเผลอไปมองทุกทีแต่ใจไม่ได้คิดนอกใจภรรยาแต่มันเผลอไปเองเราจะแก้ความหลงนี้อย่างไรครับหันมองภายใต้ผิวหนังก็บ้างเห็นหน้าตาเ็าลมองเข้าไปข้างใต้ผิวหน้าหน้าตานี้ก็เหมือนหน้ากากเนี่ยลองลองฉีดหน้ากากออกดูเลย ภายใต้หน้ากากนี่มีอะไรมีกระโหลกศีรษะใชะ่เห็นหน้าตาเขาแล้วก็ต้องมองทะลุเขาไปภายใต้หน้าตาเขาอะไปนั่งดูเพ่งดูกระโหลกศีรษะบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาเห็นหน้าตาใครก็นึกถึงกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้หน้าตาเขาเนีอ่อยู่ใต้ผิวหนังเขานี่เองอมันก็จะหายหลงหายลักหายชอบอ หรืจะดูทั้งร่างกายก็ดูโครงกระดูกทั้งร่างกายก็ได้เนี่ยี่ยมีโครงกระดูกกันทุกคนไม่ใช่หรอมีไหมคิดดูถ้าร่างกายไม่มีโครงกระดูกมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นเหมือนแมงกระพุนเะเคยเห็นแมงกระพุนไหมแมงกระพุนนั้นมีกระดูกเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นนอนกับลาบอยู่กับพื้น น, ะนั่นเองนะด้านร่างกายเราเอากระดูกออกให้หมดดูสิมันก็มีแต่หนังมีแต่เนื้อมีแต่อวัยวะ มันก็จะเป็นเหมือนแมงกับผลดีๆนี่ให้คิดให้ดูสัสดส่วนดูอาการต่างๆของร่างกายบ้างอย่าดูแต่ภายนอกอศึกษาอาการสามสิบสองของร่างกายไม่ต้องสามสิบสองก็ได้เอาแค่ครึ่งหนึ่งเอาแต่ส่วนที่เป็นอวัยวะต่างๆก็ได้ส่วนที่เป็นของเหลวไม่ต้องก็ได้ดูน้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำสเตเลตเอาแค่เนี่ยเอาแค่กระดูเข้าไปเนี่ย กระดูกเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะเนี่ยเอาแค่นี้ดูพยายามหัดท่องอาการเหล่านี้ดูเป็นของเราแท้ๆเรากลับไม่รู้จักมันเนี่ยรู้จักอาการสามสิบสองเนี่ยเรามีร่างกายเนี่ยเรารู้เปล่ามันมีอะไรบ้างในร่างกายเนี่ยไม่รู้ใช่ไหม ดูแค่ผมขนเล็บฟันเค่นี้หนังเท่านี้นนพอพอหลังจากนั้นเราไม่ดูว่าใต้หนังมีใต้หนังมีอะไรบ้างมีเนื้อมีเอ็นเอ็นนัดกระดูกนะนในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกอีกแล้วนอกนั้นก็ยังมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้เนี่ยสิ่งที่เป็นสมบัติของเรากับไม่เคยรู้จักกันเลย ถ้ารู้งต่อไปเห็นใครมันก็จะเฉยเฉยได้อาจจะไปบวชกันนะพวกมันมจะอยู่ไปทำไมอยู่กับอาการสามสิบสองนี่เอมค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะพี่ชายอ า, ายุเก้าสิบกว่าแล้วไม่ทราบเป็นอะไรชอบด่าคำหยาบหยาบซึ่งตอนเป็นหนุ่มเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้ แต่เวลานี้เขาป่วยเดินไม่ได้ค่ะก็คงไม่มีสติสตัางนั่นเองคนแก่แล้วก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วก็เลยปล่อยใจไม่ทอดอะไรตายอยากอยากจะพูดอะไรอยากจะคิดอะไรก็พูดไปเพราะเขาไม่เขาไม่เขาไม่ไม่มีอะไรที่จะได้อีกแล้วมิดเขาอะไรไม่รู้สึกที่จะต้องมาคอยคอยควบคุมกิริยาการของเขา เราก็ปล่อยมันไปตามอารมณ์ของเขาก็อย่าไปถือสาเหมือนเด็กท้ารลกนะกลับไปเป็นเหมือนเหล็กเด็กไล่ดึงสาละคำถามต่อไปจากคุณโมโม่ถ้าเรามีจิตปกติที่ไม่มีความผูกพันกับใครเลยจะเป็นเหตุให้เราเป็นคนที่ร้ญาติขาดมิตรในภพชาติต่อไปหรือเปล่าคะ มันต้องมีญาติมีมิตรทั้งนั้นแหละคนเรามันเกิดมามันก็ต้องมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีเพื่อนฝูงมันไม่มีเราอาจจะมีน้อยหน่อยนั้นเองแต่มันต้องมีมนุษย์เราเป็นมนุษย์สังคมไม่ได้ไม่ได้เกิดมาจากกอไผ่ใช่ไหมมันเกิดมาก็มีพ่อมีแม่ก็มีพี่มีน้องมีญาติมีอะไรต่างๆ ต้องทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวข้องกันมันก็มีเพื่อนมีฝูงไปเองแหละอาจจะมีน้อยมีมากเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากลายคุณจิตเอ็มทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วขออโหสิกรรมต่อกันได้ไหมคะขอได้แต่เขาไม่รู้เขาจะได้รับหรือเปล่าเขาจะได้รับรู้หรือเปล่าว่าเราขอ เราต้องมีอภิญญาสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณที่เราต้องการให้เขาเอาโหสิให้ถ้าติดต่อไม่ได้ก็ก็คงจะไม่ได้เขาคงจะไม่รู้ว่าเขาต้องการให้เราเอาโ ห, าาหสิให้กับเราทําได้ก็กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นใครเรามีปัญหากับใครก็ไปขอเอาโหสิกับเขาแต่จะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง บางทีเขาไม่ยอมจะทำยังไงต้องจะล้างแค้นให้ได้อก็ไปตีหัวเขาแล้วเราไปขอโทษคนนี้ก็จะพอใจเขาป่าก็ต้องขอตีหัวกลับคนถึงเนยพอใจก็ยอมไหมเขาตีหัวก็หมดเรื่องยอมใช้กรรมไปไม่ต้องไปขอเอาหัวเสียให้เสียเวลาหรอกถึงเวลาก็รับใช้กรรมไปดีกว่าสบายใจกว่าค่ะคําถามต่อไปจากลายคุณแจ็ค ผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่เรื่อยๆแต่ครั้งหลังๆจะรู้สึกว่าการเจริญสติตั้งแต่ตื่นถึงนอนหลับจงกรมสลับนั่งสมาธิทั้งวันบางทีรู้สึกเหนื่อยอึดอัดและไม่รู้ว่าทำไปทำไมใจคิดถึงสิ่งภายนอกเช่นขนมเพื่อนและที่เที่ยวผมควรจะพัฒนาจิตยังไงดีครับให้มีความสุขกับการปฏิบัติทั้งวัน เพราะเราสติเราน้อยมากสติมีกำลังสู้กิเลสไม่ได้สติกับกิเลสเนี่ยเป็นเหมือนคู่ชกกันถ้าสติอ่อนกิเลสมันก็แรงดังนั้นถ้าสติเราอ่อนเราก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นต้องเพียนพยายามพุโทโธพุโทโธให้บ่อยขึ้นต้องบังคับตัวเราเองให้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อย ถ้าไม่บังคับมันก็จะไม่พุโทโธมันก็จะปล่อยให้กิเลสมาเหยียบยำ่ำทำลายจิตใจคำถามต่อไปจะคุณไผ่งามไปเยี่ยมพ่อแม่ต่างจังหวัดพอจะกลับเข้ากรทมมาทำงานแล้วทำยังไงไม่ให้เศร้าคะ อ, อ๋อต้องคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดา ดีตอนนี้ยังเพียงแต่พัดภาคชั่วข่าวเดี๋ยวยังได้เจอกันอีกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพัดภาคกันแบบทาวน์คอยเตือนใจสอนใจเรื่อยๆต่อไปใจมันจะค่อยๆยอมรับความจริงว่าในที่สุดเราก็ต้องจากกันเพราะเจ้าถึงสอนให้เราคิดบ่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เราไม่คิดกันเราเลยอยากกันอยากไม่พัดพรากจากกันแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆแล้วมันก็จะลดละความอยากไม่พัดพรากจากกันได้พอไม่มีความอยากให้พัดพ่ากจากกันมันก็จะไม่เกิดความเศร้าใจขึ้นมาความเศร้าใจเกิดจากความอยากไม่พัดผากจากกัน คำถามต่อไปจากคุณมงคลถ้าสามีชอบด่าว่าลูกกับภรรยาแล้วชอบทวงบุญคุณโดยเฉพาะเวลาเมาสุราจะทำอย่างไรให้สามีเลิกด่าเลิกดื่มสุราได้ก็ยากันสิยากันหวเขาอยู่ของเขาไปนี่เขาจะเดื่มสุราไม่เดืม่มเราก็ไม่เดือดร้อนนะ ง่ายจะตายไปอยู่ไปทําไมอยู่แล้วทุกข์อยู่ไปทำไมคําถามต่อไปจากคุณทวีสาพิจารณากายตอนนั่งสมาธิแล้วหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายไม่ชัดเจนควรมีวิธีพิจารณาอย่างไรคะเลวลานั่งสมาธิไม่ควรพิจารณาเวลานั่งสมาธิต้องการหยุดความคิดต่างๆการพิจารณาก็เป็น ความคิดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ใจไม่สมงบงั้นเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาพิจารณาพิจารณาได้เวลาอื่นเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธินี่พิจารณาได้ตลอดเวลาการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ต้องเอารูปถ่ายมาดูบ้างก็ได้รูปถ่ายตอนที่เราเป็นเด็กกับรูปถ่ายตอนที่เราโตแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้ ต้องใช้การดูภาพในระยะต่างๆถ้าดูแค่วันนี้พรุ่งนี้มันมันเหมือนกันทุกวันยิ่งเราถ้าเรามองร่างกายเรามันเปลี่ยนทีละนิดเราดูสิบปีมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นั่นแหะแต่ความจริงพอไปดูสิบปีก่อนกับสิบปีนี้โอ้มันเป็นคนละคนไปละวะนั้นบางทีเราต้องอาศัยดูภาพที่เป็นระยะระยะ สมัยก่อนไม่มีภาพของเราเราก็ต้องดูภาพของคนอื่นแทนดูภาพของเด็กคนนี้ห้าปีต่อมาก็เป็นอย่างนี้แล้วดูดูคนต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนแก่นี่ก็เป็นคนที่เริ่มต้นจากทารกทั้งนั้นเน่ะ ต่อจากทารกก็ขึ้นมาเป็นเด็กเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้แก่ไปต่อจากนั้นก็เป็นผู้ตายไปมันก็เนี่ยคือต้องเห็นแบบนี้ต้องนึกแบบนี้ถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคำถามหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะขอขอถามเองได้ไได้ไดขออนุญาตค่ะพระอาจารย์เวลาวันไหนไม่ได้ออกไปทำงานอยู่บ้านแล้วก็นั่งสมาธิ จะเข้าสมาธิได้เร็วแต่ถ้าวันไหนออกไปทํางานประชุมพบปะผู้คนมากๆกลับมาต้องต้อ ง, องเปิดฟังเทศพระอาจารย์ถึงจะเข้าสมาธิได้ค่ะก็เหมือนรถยนต์ไง <c oughs> รถยนต์ที่วิง่งไม่ได้วิ่งมากกับรถยนต์ที่วิงว่งมากรถยนต์ที่วิ่งเร็วจะเบรกมันให้หยุดปั๊บมันก็ไม่หยุดต้องใช้เวลารถยนต์ที่ไม่วิ่งมากวิ่งช้าวิ่งน้อยก็เหยียบเบรคมันก็หยุดได้ง่ายกว่า วันไหนที่เราไม่ต้องทำงานเราก็ใช้ความคิดน้อยก็หยุดง่ายกว่าวันไหนทำงานใช้ความคิดมากมันก็หยุดยากกว่าเพราะมันมีอารมณ์ข้างๆอยู่กลับมาบ้านแล้วเรื่องที่ทำงานยังตามมาในใจเราอยู่แต่ถ้าไม่ได้ออกไปนอกบ้านก็ไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็ไม่มีเรื่องให้คิดมากไม่มีเรื่องข้างๆในใจมากพอนั่งป๊อบมันก็สงบได้ง่ายกว่า สังเกตดูก่อนนอนกับนั่งก่อนนอนกับนั่งหลังจากตื่นขึา้มานี้ยากง่ายต่างกันเวลาจะก่อนก่อนจะนอนนั่งนี้ไม่ค่อยสงบสงบยากเวลานอนตื่นขึ้นมาแล้วมานั่งนี้มันสงบง่ายกว่าเพราะเรื่องราวต่างๆที่มันค้างอยู่ในใจมันหายไปหมดแล้วกลับขอบพระคุณค่ะคมีคำถามเข้ามหมือเปล่ายังไม่มีค่ะยังไม่มีนะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอาไมครโฟนไปไหน่อยอ่าพูดใกล้ใกลปากอ่ะอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิแล้วติดนิมิตเข้าอาจารย์มันไม่ผ่านสักทีครับ ก็อย่าไปเอาพุทโธแตะติดพุทโธแทนเอาไปติดนิมิตก็เด็กมันทามาหาพุทโธแทนอย่าไปสนใจกับนิมิตต่างๆมันมาปุ๊บแล้วผมก็คุมสติไม่ได้เหรอครับก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนก่อนที่จะไปนั่งฝึกพุทโธพุทโธให้มากๆพุทธพุทธบ่อยๆครับแล้วต่อไปมันก็จะไม่มาอือันนี้เราขาดพุทโธขาดสติ ขออนุญาตค่ะมีคำถามเข้ามาแล้วค่ะจากคุณจีกรูปการกรวดน้ำมีความสำคัญไหมเจ้าค่ะไม่มีเลยไม่ต้องกรวดน้ำอุทิศบุญไปเลยที่ไม่ต้องใช้น้ำบุญไม่ใช่น้ำน้ำไม่ใช่บุญบุญคือความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทำทานของเรา พอเรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วก็นำเลิกจิตไปในใจได้เลยว่าขอพุทธความอิ่มใจสุขใจนี้ให้แก่ผู้ที่ดวงลับไปแล้วให้เขามีความสุขใจอิ่มใจเหมือนเราเนี่ยคือส่วนน้ํานี้สําหรับคนตาบอดหูหนวกไม่รู้ว่าความสุขใจอิ่มใจเป็นยังไงเขาก็เลยบอกเอาน้ํามาเป็นตัวอย่าง น้ำคือบุญบุญนี้เวลาเทน้ําลงไปแล้วก็เหมือนกับส่งส่งน้นํานี่ส่งบุญนี้ไปให้ผู้ที่ร่งรับไปแล้วเท่านั้นเองฉะนั้นทางพุทธศาสนานี้เราไม่ไม่ไม่ไมไม่มีเรื่องนะเรื่องน้ํากวดน้ํานี่เป็นเรื่องของพรามณ์ที่เรายืมมาใช้เพื่อจะได้ให้คนที่มองเห็นไม่รู้ไม่มีตาไม่เข้าใจว่าบุญเป็นยังไงก็ให้เขาเปรียบเทียบ ว, ว่าบุญคือน้ําน้ํานี้ เราอุทิศบุญเหมือนเทน้ําส่งไปใหภาชนะที่รองรับก็บเหมือนเหมือนจิตใจของคนที่รอรับบุญนี่อยู่ท่านั้นเองอยังทําบุญเสร็จปุบ๊บเราก็อุทิศบุญได้เลยไม่ต้องไปหานา้ําไม่ต้องให้พระมาสวดด้วยเพราะไม่เกี่ยวกันพระมาสวดนี้ไม่ได้ทําให้ไม่ได้ส่งบุญให้เราพระสวดเพียงแต่แสดงความแสดงเหตุผลแสดงธรรมให้เราฟังว่าทําบุญแล้วเราได้อะไร ในบุญบุญคืออะไรแล้วเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ลงรับไปได้อันนี้เป็นการสอนท่า น, นเองเอาแล้วเนี่ยวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด